เอาความาวแความกวนเราไม่ค <Z an aaS as> ่อยใครเด็กเขเข้ามาเรื่อยๆค่ะนะเอ๊กับแค่นัาวมาเยอะแคแล้วฝนฝนแมม ที่โมงไม่รู้รอรอตอมากเนองใจกำลังมาเสียสงภาาไยหยุใครอีกนิดหน่อยก่อนไค่ะก็ค่อนข้างเอเอาละรถบัสว่างรถบัสมาไปมาจอดรถใช้ <c oughs> <ฮ>่ถูกตองเยวไถูกปัีกไม่ได้ี่เขาห้ามจอดไม่จอด Oh, we're gonna wait a few more minutes for uh, another people okay, uh, coming. u t t h a i n o t w e e n h o e r o e n o t s l e h h c o I n t u r e no r e e me. o I n go. t here f o s o e s t h e n t h s Just here f o f t h s j a m e o r f o u n t t o r o u r o n t h a m e h e r o n t t o r o u o t h s j a m e o r f o o n t h a n t t o o o t h a m Just o n t o o o t h e e t t h o t t m e m Just o n t o o o n o o m Just o n t o o o t h e e o u m o n t o o o t h c o r n วัดไรนไปวัดพัะสิงค่ะวัดพัดสิงที่ลคอรสิงค่อันนี้ไม่ใช่รี่ดูส่ไ้สไ้กล้น่วัดตนี่วัดใกล้วัดที่ไหนโอ้ไม่มีไกลไม่มีไม่ใกล้อะวัดีหมืกลพอโอยเมือด้านกับ วัอมราวดีก่ไไม่ไม่ผน่านทีอมราวดีเช็ค่อมราวดีมุฮ์ฮัมส์บเออาางนี้ฮัมมุฮ์ฮัครวิกคับี่ืองไทยอยู่ในกรุงเทพท่มีต่างจังหวัดานมีค่ะ ร้อนจงสีสะเกดค่ะคนแก่นค่ะคนสะเกดคนดีอยู่เนาะคแก่นค่ะคนแก่นวหานไหนมาเจอเพื่อนกันนะอีคนแก่นคนแก่นยท่านผ่หลังอันด่วนแถวอันม่วงวัดตรงขวาก็น่ม่วงโน่ม่วงอันด่นแถวหลังมหาลัยออ่าทไหนมาใกล้ ติดทนซางเหรอว่าเราเดือดเชียร์น้ามหาปตึกเอาหมวกม่วงให้ย่มให้แท็กซี่ไอ้ไอ้แท็กซี่ัมวกม่วงเราเราภาษาไทยว่เป็นมาแท็กซี่ วัดจุดตรงไหนวัดจุดที่ไหนชีวอที่อะไรเกม่วงก็ก็น้ถตื้นก็ได้ก็ม่วงไก่ไก่จะน้ำบินเนาะไก่จะน้ำปินบุก่วก็ไปไอ้นู้อ布拉บอดีอ布拉บอดี เชฟอยู่ในครัวเจที่แบบเขาไปวัดเข้าตรงนี้กับน้นั่ก็มันงงอยู่ดไรวัดหงเขาไปประจํเขาได้นแต่ว่อยู่มันไม่ตรงกันค่เพราะเขาอยู่กันจันโยมเองไม่ต้องมาเลยไม่นานใชนไหมฮแล้วไปแล้ว ไปก่อนนะไปนั่งตรงๆเข้ามาเดี๋ยวเเขี้ยเอากออขีเนาะเออเอาเขียออกนะจิ้งพีโมเวตเชอร์อืมใช่เอาเขียออกเลยพีวกอุเบียพอดีพี่น้องก็ต้องมีเลยเออตื่นตอนแร้วเออเขี้ยชี่เลยขาแข้งขาเข่าพี่หลับฟังให้นะ เออรับเขาไปติดกันตุ๊กนึงนะเออิดค้อดูเวลาให้พี่ยนะรับผตาใบอกนะตอนรถเยอะคนขอบคุณครับเดียวตายเลยแล้วทำไมบอกพวกคนายให้่ ก็บว่าเจ็ดโมงถึเจ็ดโงขึ้นเขารู้อยู่แล้วกรชายอยู่ลใช่มามีก็ท้านขนมมอเตอร์ฟัวร์บอกว่าอย่นั้นนะไม่นอกว่ไอ้พวกเจ้าชาเยอย่างไม่ติดมอตอัวร์บอกว่าไอ้พวกนี้เป็นยังไม่คอยอะไรก็จะมาถึงก่อนตื่นกินเห็ดกับเขาเรียบร้อยมากแล้วินข้าวเนี่ ทีห้าขึ้นเนื้อข้าวเหนียวเนข้าวเหนียวตำน้ปนไหกบ้านนี้นะตาน้าพริกตำยังทอดคงชงคงเชี่ยงยักเส็ตถุงเป็นเลขมากมลยวันที่ยี่สิบอาทิตย์ยี่สิบวนกันไปก็ได้วันสุดท้ายอาทิตย์น่ะลวงปู่ก็จะกลับเมืองไทยแล้วโอเคกระชินก็ไปเมื่อ ก็จะับแบบจ้ท่ยกไ่กูอว่าเดยงไปนู่นยิ่งางไหนย่นที่เรขี้าบินแกวิะไจากสนามบินแกองเป็นกกเลใช่ไมนออถึงดที่ห่าก็ไม่ถึงจ็ไม่ห่างจากนี่นาทีครับผม วัน่เท yeah. okay. yes. right ่าไหไปวันอะนอที่เนอ่ทิวอาทิตยันอาทิตย์นทตยวันาทิตนอาทิวนอาท์นาวันอาทอาทิตย์อาทิตย์วันอาทิตย์ทิตย์ัทิางันอาทิตย์นอาะนยาาออออาอาาตัยวันอาทิตย์ตาวันอาทิตย์ทาานออ อาจาร์ธนาคารพูดปริมาณสุเสาาที่ทางานค่ะไม่เราทำนัดที่ก็หยุดได้ไม่ใช่เหรอหยุดได้ม่ใช่เดือนหนึ่งหยุดหนึ่งวันเนาะใช่ตอนนั้นพีกระิ้นบุญยัยต้องไปหต้องูไปจังแ่ตคารู้โอ้นวานบอยู่ไกลเท่าไหร่ลูกกูยังตามมา ตามมาเรายังไม่เห็นอีกมันใช่เพตาว่าแต่ใครจะค่บกลัวอะไรยากเดี๋ยวควบกัวง่ายเราอยุดกันทั้งร้านเลยไปยนะบอกเลยไปอยู่วันที่่สิบค่ะเรามค่ะ จไปกันได้เ <pouch> น <Die> <sz ul wheels>, ่ยแล้วะไปอะไรนะแ่้ววัดที่ไหนไปไปไปไปไปวัดอไไปอยู่ไปให้บุนกฐิโชคไปส่งให้เราแล้วไปอยู่ไปให้ลวกพอตีน้ำมอนิ้อให้ได้ไปอยู่บางคนก็ไม่มีรถก็ไปรถไฟก็ได้ไม่มี่อยากไปบุญกทินไหมทานอะไรเนี่ยบริหารดูสยุดสัญุโอเคบอกเคสตียุน นี่รุงมาเดีุ๋งเอาไปให้เที่ไอยู่ไปที่ยี่สิบเราก็อยู่ยี่สิบไปไหนไปด้วยกันไปด้วยกันยี่สิทํถ้าไม่มีพระครกคาภาษาสมเดือนผมไม่ได้ทอดติ้งง่ายๆได้แล้วก็ไปพ้องกันต่อพระหลพงปอยก็ม่ได้ทอดต้าไมีพรครก จำพรรษาห้าลูกขึ้นไปอไม่ใช่ว่ารูปหนึ่งสองลูกจะทอดทันก๋าิีนได้นะอันนี้ต้องถวายถวายอาหารไหมคะถวายวันที่สินะฮะใช่เราก็ทำแกงเลยก็ได้อาหารของแห้งก็ได้อันนึงคนเนี้ยแหละพอสิไปแล้วารได้กระินเน้นะเอาซิของแห้งมได้ การอะไรก็เยอะแยะนละมาดพลาไม่ไปก็ไม่ได้ทึนึ่งยากไม่ได้หงยากซื้อไปเลยซือข้าวสารซื้อข้าวสารไปก็ได้ข้าวสารน้ำปูน้ำปลาของเดียวอีกเดียวประเด็เดยวประเด็ดข้เนี่ยมากที่สุดคือประด็ดกต้าเออใส่บาทก่อนหรือว่าท่านจะที่ตรงลง่ทนได้่โอยไปเอาก่อนไม่ได้หรอกเปนข้หลวงหนาคิดวินัย ก็จักไว้จินไข่ลงหนายมถามเพราะว่าโยมกลัวจะไปทำงานไม่ทันแค่นั้นเองเออเพราะว่าโยมต้องไม่เคยมาที่นี่อยู่ไกลไกลนเขาพร้อมกันพร้อมกับทาพิธีเคนมาที่หลังถือว่ามาชาติก็ไม่ต้องได้ฟังละา้ฟังคนเก่า อว่าาาซาเลยอ่ขนุบวมกไม่ซาคร้งบมาก่อนม่ด้เจ้าจบมาก่อนเันัก่อนตัวก่อนช่วยบ่นก่อนตมนาป้อมๆกันยมนาสกาเลนะพดคบทยา อนาสกาเลนะธมาภิภูชยามะอมนาสกาเลนะสาางอภิภูชยามะอะหังอะหังสมมาสัมุโภะคะวพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสว่างาโต พักวัตตาโมธัมมังนัสสัมิสุปัติปันโนพักวัตโตสาวกะสังคโคสังขังนัมามินะโมตัสสะพักวัตโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสว่าตามสุตินังสุทินังวะตเเมธาังวตเเมธาังธาังเมธาังเมบริสุทธังริสุทังอาสาวะอาสาวะขยาวังขายาวโตุโตุข้าพเจ้าผั้ข้าพเจ้ายินดีให้ทานยินดีให้ทานของทานของทาน ข้าพเจ้าได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้าจงรับของทานของจากข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกี่พวกับข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วมีมี ามาบิดามันดาผู้ตายาตาใหญ สามีภรรยาลูกเต้าหลานเหรนเจ้ากรรมนายเวรจงทราบด้วยญาณวิถีรับบุญกุศลจากพวกข้าพเจ้าแล้วจงไปสู่สุคติสมดังความปรารถนาพร้อมทางพวกข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจการงานการเงินสิ่งใดการงานการเงินสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงดความปรารถนาสมความปรารถนาจงทุกประการเถอดนั่นทำทานอที่นี่ทำบุญยกเมตไงว่าแล้วก็ You can do meditation for one minute. Put your hand on your lap. Close your eyes. Observing your breath, breathing in, knowing. Breathing out, knowing. So you invite uh, Long Pu here to make merit. i t m a m a n m k e merit. m a m t a d a i t a t n make merit. i t n d m a m e r n d m a r i t m a e m r t d a i t a t n d a i t i n d m a i t i n d f o r y t u a m r n m a k i n d a i t m a m t d a r r n d a k n k a i t a m n m e d i t a t i n d r r m i n d d n a t i n t a m t a n i d r r d n a t a k n r a m i a n ใจสองกาย yourself consists of two parts one is your physical body and one is your mind สองขัาของร่างกายนี่ไม่ใช่เราเป็นของคุณพ่อคุณแม่ตัวเราคือใจ your physical body is not belong to you it's belong to your father and mother you are true. your true yourself is your mind ทีนี้คนสวนมากไม่รู้ว่าใจเป็นตัวของตนเอง most people don't know that the mind is s you เข้าใจว่าใจกายเป็นตนเอง They attach to the body. They thought the m d the the physical body is themselves. <coughs> so they try to decorate or to put the material to to t h e body. <coughs> <coughs> to feed their body. <coughs> <coughs> to decorate the body. เห็นไหมล่ะทั้งขาทั้งกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เก็บตาย But Your body is not permanent. It's aging, illness, and died. ท่องให้ยิบเริญได้กินบ้งของแต่งกายคือทำทาน So the food for your body is the generosity. ของทำทานยุ่งยากเข้าไหมกว่าจะได้ทานเตรียมไปหนุ่นทำบางคนอาจจะไม่ได้นอนด้วย Generosity is complicated. You have to spend time and money doing. มันยุ่งของทำทานมันยุ่ง It's busy. คนเราชอบยุ่ง so you, people tend to make their life complicated ยุ่งไม่พอเสือหมามายุ่งด้วย and they their life busy enough they gonna buy the dog เดียวว่าอาหารกายเขาน้ำโู้ชนะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มเครื่องหอมยารักษาโรคไม่อยู่ในของสำหรับลงกาย generosity food shelter medicine and clothes is physical uh, food for your physical body จะเรียมเท่าไหร่ก็เท่ า, าก็แก่ก็เจ็บก็ตาย As much as you put in, in the body but it's gonna be sick uh, old and died เอ็นไหมล่ะพ่อแม่กู่ยตาตาใจาล่วงไปก่อนแล้วเอาไปด้วยได้ไหมผมขนเล็บฟันหนัง Your grandparents already passed away what they can take with them เอาไปด้วยไม่ไรเอาทิ้งหมดใจนะใจตายไม่เป็นนะ They cannot take their body with them but the the mind never die อยาให้ดูใจ And want I to you your look after m พระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจพระพุทธเจ้าได้ตัดตรูปเพราะพระพุทธเจ้าดูใจ Lord Buddha te teaching uh, want you to look after your mind ดูลมเข้าลมบอกเลยว่าอนาป า, านุสติ The enlightenment because e n l i g h t e n m e n t because of watching his own mind ไม่ใช่ <online. S 2> ไหนหา ง, ง่ายๆนะหาใจหาหกปีนะจึงเจอพระพุทธเจ้า He spent six year meditation นั่นเราเราท่นทานนี่แหละเราไม่เคยดูแค่บางคนนับแต่เกิดมาเคยดูใจไหม How many times you watching your breath? No, you with t e wind. The mind with t h breath. The mind i t h t i n d t h e e w i the i be. So your mind should be with your breath. If y o u d o n t h a v e your breath, you r e going to die. ดยเฉพาะอย่างยิ่งเือคนเราประเทศไทยเยอะแยะพระก็เยอะแยะส่วนมากก็ไม่ค่อยบอกพระบอกญาติโยมทบุญ m o o the i m e we tell uh, people to make merit, which is meditation. ไม่ใช่หลวงพ่อำนนะดฟัง I not blame anyone, but just tell you the truth. จะว่า่ตหนพระมีพระกี่รูปประเทศไทยมีวัดกี่วัดที่ดูเวลาโยมไปวัดก็บอกว่าโยมมาอะไรมาททานเชิญจุดธูปจุดเเชิญถวายทานเชิญตรวจน้ When the people go to temple, most of the monks tell them to burn in the incense, light the candle, and give the uh, material to the monk. เมื่อเวลาไม่สอนให้ท่า น, นดูใจไม่อสอนให้ดูบุญผลสุดท้ายโยมก็พากันหลงพระ ก, ก็หลงพระไม่เคยดูบุญก่อนเอาอะไรมาบอกโยมละที They usually not tell people to make merit by doing meditation เราดูที่เมื่อกี้ที่หลวงพ่พาดูสบายไหมดูลมหนึ่งนาที How do you feel when he lead you to do meditation? Is that good? นั่นไม่ยุ่งนั่นแหละพระเจ้าจึงว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่น So no greater happiness than a peaceful mind for meditation. งง it's quite easy and calm and peaceful. If we think about m o n e า we breathe more than we eat. Because when we sleep, we breathe. So because you you have to breathe uh, all the time, so it's expensive. When Lumbhupu spoke, he wanted to do it every day, every d น y ดูลมเข้าลมบอกไว้พะแค่ที่พูดนี่นะไม่ต้องไปสว่วนเสียห บ, บัญจรร้อยทั้งพันขั้งไม่ต้องสว่วนขาถาเงินล้านร้อยทั้งพันขั้งหรอกสว่วนขาถาเงินล้านไม่ทางานจะได้มีเงินไหม He encouraged you to do less chanting and do more meditation by doing uh, watching your breath, breathing in, breathing out every day โดยเฉพาะทำบุญบุญ้ม่มีขายนะซื้อขายไม่ได้นะต้องทำเอง Marit you cannot buy you have to make by yourself นกน า, กายนะ ถ้าหิวข้าวต้องทานข้าวถ้าไม่ทานหิวข้าวหิวข้าวอยากได้บุญอยากได้บุญแต่ไม่ดูก็ไม่เห็นบุญ It's like you r e hungry if you're not eating how you're gonna get food the same thing when you uh, want to give the food for your mind you have to do it by yourself โดยเฉพาะจะอุทิศให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวที่ยังเรียนว่าตายเกิดให้รอดของศาลเราต้องมีบุญก่อนจึงจะอุทิศให้ได้ If you want to give merit to sharing with u uh, all your all your relative that pass away or live still alive. You have to have it first. เพราะจะ The merit is like a currency. If you want to give to anyone, you have to have it first. It's like money. แก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเขาสมาธิเขาสมาธิทำบุญบนยอมรักษาผู้ทาบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก When you <laughs> med meditation, that's t h e w a you y make merit. ด้วยอำนาจบุญกุศลอกตัวได้จบลูกหลานได้ติดพี่น้องได้เตลาดมาททานก็ดีฟังว่าทาคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลนี้ จงกงราจได้ลูกหลานจงมีแต่คนสุคนจุกายแจกทุกปัพัฒนาที่งหนงอันใดจงสเร็จจงสเร็จจดังความพัฒนาจงทุกประการเินน The Power of Lord Buddha s a n a and Buddha Dharma and s a n a we look after you and all your wishes fulfill healthy and prosperity an> นาทีนึ watering, <東日>่ง <s> ท <departure> ีสีได้หมลได้จังหวฟังคบาอาจารย์จะได้จิตในกอดตัวพระพุทธมนต์นะโมทัส萨跋伽沃陀阿拉哈陀萨玛萨 b u d ะโมทัส萨跋伽沃陀阿拉哈陀萨玛萨 Buddha นะโมตัสสะพระกราวนุภาพตวสมมาสมปตสะสมตัจสานังกัจามิธรมังสารังกัจามิสังขาังสารังกัจามิดุิยมพิพุดังสารังกัจามิดุริยามพิธรรมังสารังกัจามิ โลติยามปิสังขังสรลังกัจฉามีตติโลติยามุเลสักกายนังนันทิวัตโนเอวังตาวังวิชายโหยิชยสุสยามังคะเลอภลาสิตาปันลังเกสีเสปตาวิปุคะเล อาปิเสติซาบุตตานังอาคาปโตภโมตติสุนัขตังสุมังกาลังสุปาัตังสุบุตตังสุขานุสุมวัตโตจาสุยิตังพรามนาจาริทวะ อาดกคิน it ังกายกรรมังอาตากรรมังปาราคินังอาดาคินังมโนกรรมังปนิติเตปาร a คินาอา d าคินาเิกาตาวาลลาปันตาเตอาลาคินด สุขัสสะดาตเมธาเวสุขังสอติิัจติอายุนทับปะปะลังวันนางสุขันตปฏิพานดูเดคายยาสวาหูตีญาทายทุปปะจติตีปะวะโตสาพมังกลังรักันตุสพปเดวตา สัพพะปุตธานุภาเวนาสัดาโสติภวันต ah ุเตภวัตุสัพะมังการังรักขันตุสัพะเดวตาสัพพธรรมานุปาเวนาสัดาโสติภวันตุเตภวัตุสัพมังการังรักขันตุสัพะเดวตา ตาพสังคาลุพาเวนะอาดาสุตีพาวันตุเตหังพังบารมีสมุทโธอวะผู้ทางปะคะวันตังอภิวาเท หนาา้าภาษาดูปฏิปันโลก ะ, กะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามิ แล้วก็ไอไปนต์ไมนตนก็สงงเอแล้วนางทางหาวะป ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณข่าวขอบคุณเจ้าภาพด้วยวันนี้นะทุนใหญ่เสร็จจ้าทุกท่านไม่มีบ้านยี่ห้อ เพื่อนพูดกันแล้ววันที่ยีสิบไปกระเทีนของมื อ, อ, อเออมาเก็บแบตรงนี้เตือนยาก